รรกราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกอกราบครวะหลวงพ่อกมประอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์วัฒนชัยเพื่อนสาธรรมิกและก่อเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิก า, าที่มาร่วมกัน ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโ ต, โตในครั้งนี้ <c oughs> สำหรับการมาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยหลายคนก็คงมีความตั้งใจมีความสนใจนที่จะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องตัวเราเอง สิ่งนี้นะเป็นบุญสูงสุดนะในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่นะเราก็จะคุ้นเคยนะกับการทำบุญนะโดยการให้ทานการรักษาศีลนะซึ่งก็เป็นบุญที่เรารู้จักกันดีนะทำแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะมีความสบายใจ นะที่ได้ให้ออกไปได้ทำในสิ่งที่เราเป็นคุณงามความดีแต่เราสังเกตว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีนะยังไม่สามารถที่จะทำให้เร า, เาพ้นหรือหลุดพ้นไปจากความโกรธนะหรือความหงุดหงิดนะความ ไม่สบายกายไม่สบายใจได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มากกว่าการให้ทานการรักษารศรีลก็คือการที่เรามาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรานะภาษาบาลีเรียกว่าการภาวนานะภาวนาก็คือพัฒนานะคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ เข้าใจภาษาบาลีผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิมมากมายนะโดยเฉพาะคาว่าภาวนาเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงการนั่งหลับตาการบริกรรมนะหรือการภาวนาการขออันนั้นขออันนี้นะซึ่งอันนั้นก็เป็นความหมายหนะ้าที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่ความหมายที่แท้จริง นะของการภาวนาก็คือการมาพัฒนานะซึ่งการพัฒนาก็คือการมาพัฒนาใจพัฒนาจิตของเรานั่นเองการภาวนาหรือการพัฒนานั้นนะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยนะหรือว่าเกินความสามารถนะที่เราสามารถจะทาไดนะ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะเรามาวัดป่าสกุโ ต, โตเนี่ยจะมีรูปแบบนะของการภาวนาเนี่ยที่ง่ายๆนะแล้วก็ทำได้ทุกคนนะซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างนะไปจากการภาวนาแบบที่เราคุ้นเคยกันนะการภาวนาที่เราคุ้นเคยกันส่วนใหญ่นะก็จะเน้นให้เรานั่งหลับตานะให้เราทำจิตให้สงบ ด้วยคำบริกรรมบ้างด้วยลมหายใจบ้างซนะึ่งตรงนั้นก็เป็นรูปแบบนะที่มีมาแล้วก็ส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกันแต่ที่เรามาที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเราไม่เราไ ม, ไม่ไม่ต้องนั่งหลับตาเราไม่ต้องใช้คำบริกรรมแต่เราอาศัยการเคลื่อนไหวนะของร่างกายนะเป็นอุปกรณ์ หรือเป็นรูปแบบที่จะทำให้เราเนี่ยเนกะิดการตื่นรู้ขึ้นมานะเป็นการปลุกสตนะิปลุกความรู้สึกตัวนะให้มันตื่นขึ้นจริงๆเราก็ตื่นแล้วล่วนะเราตื่นเช้ามาเรามาทำวัดสวดมนตนะ์แต่ว่าการตื่นนี้เป็นการตื่นโดยอาศัยสติสามัญนะที่มีอยู่ที่เราใช้อยู่ แต่สติสามัญหรือความรู้สึกตัวที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่มีความฉับไวนะหรือว่ายังไม่มีพลังพอนะที่จะไปต่อรองกับอารมณ์กับความรู้สึกความนึกคิดนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไวมากนะไวกว่าแสง <c oughs> ไวจริงๆตรงนี้เนี่ยนะก็จาเป็นที่เราจะต้องมา ปลุกนะหรือกระตุน้นะความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนะให้มันตื่นขึ้นมาอีกนะตื่นเพื่อที่จะให้มันไวให้มันทันกับอารมณ์กับความรู้สึกความนึกคิดเพราะในชีวิตประจาวันของเราถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะเรารู้นะว่าบางครั้งเนี่ยนะเราก็ทำอะไรไปตามอารมณ์ ทำอะไรไปตามความคิดทำอะไรไปตามความโกรธนะทั้งๆ ท, ง ท, งที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นความโกรธเนี่ยเราจะเราก็รู้นะว่ามันไม่ดีนะถ้าเราพูดออกไปหรือเราทำอะไรออกไปด้วยความโกรธนะมันก็จะเกิดผลเสียนะแต่ขณะที่มันเกิดความโกรธเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทันมันนะเรียกว่ามันมาเร็วนะเราไม่ทันมัน ความรู้สึกตัวที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ทันมันไม่พอใชนะ้เพราะนั้นเราก็ต้องมาปลุกหรือมากระตุ้นนะความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพนะเพื่อที่ให้มันทันกันนะทันกับความโกรธนะทันกับความคิดนะโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งนะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยเาให้มาแล้วนะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ทีนี้เนื่องจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะซึ่งมันหยุดติดกันนะก็คือร่างกายนะกายกับใจเนี่ยมันติดกันการที่เราจะไปเรียนรู้ใจเนี่ยนะเราก็มาเรียนรู้ที่กายนะการเรียนรู้ที่กายนั้น นะหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะท่านได้นำเสนอเอาไว้นะที่เราทำกันการยกไม้ยกมือ14จังหวะก็ดีการเดินจงกมก็ดนะีนี่เป็นวิธีการปลุกหรือเป็นการกระตุ้นนะความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นมาให้มันมีความฉับไวขึ้นมานะ <c oughs> การยกมือเนี่ยนะ <c oughs> เราให้มีความรู้สึกตัวขณะที่เราพิกนะพิกมือขึ้นยกมือไปเอามือมาให้มีความรู้สึกนะขณะเคลื่อนขณะหยุดนะให้เรารู้สึกอย่าทำไปโดยอัตโนมัตินะหรือทำไปทำไปอย่างนั้นเองอ่ะนะทำฟรีๆร <c oughs> การทำโดยที่เราไม่ได้เจตนาที่จะรู้สึกเนี่ยบางทีมันก็ คล้านะความรู้สึกมันไม่ชัดนะความรู้สึกตัวไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นเราเจตนาใส่ลงไปก่อนนะบางทีก็อาจจะบางคนก็อาจจะรู้สึกหนักรู้สึกเพ่งนะก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์แล้ให้เราสังเกตนะถ้ามันหนักนะมันเพ่งนะเราก็ผ่อนคลายลงบ้างนะบางทีคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีความตั้งใจนะมันก็จะเพ่งเข้าไปข้างใน นะมันจะรู้สึกอึดอัดนะมันรู้สึกหนักมันรู้สึกเครียดนะเราก็หาวิธีการผ่อนคลายนะโดยการมองออกไปไกลๆบ้างนะหรือบางทีเรายกไม้ยกมือเนี่ยนะยกไปยกมาบางทีเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนะมันพล่าเราก็จะหยุดสักพักหนึ่งนะกลับมารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวนะมารูปเนื้อรูปตัวรูปหน้ารูปตานะ เริ่มต้นใหมนะ่ความรู้สึกตัวเนี่ยนะให้มันมีการเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆนะเมื่อเร า, เาสร้างจังหวะเนี่ยนะบางทีมันมีอาการปวดอาการเมื่อยเกิดขึ้นมานะก็ให้เรารู้รู้อาการปวดอาการเมื่อยนะเราสังเกตดูนะแต่ก่อนพอเราปวดเมื่อยปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนทันที เราก็จะลุกไปทํากิจกรรมอื่นๆทันทีนะซึ่งอันนั้นคือทําไปตามความเคยชินหรือบางทีนะบางคนไม่ลุกไปแต่ก็นั่งอยู่นะก็จะมีความหมงุดหงิดนะหรือบางทีก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนา น, นานว่าเออเราจะเป็นอะไรไหมเราจะไหวหรือเปล่านะอันนี้มันเกิดเกิดอาการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนื่องจาก ความปวดความเมื่อยนะซึ่งภาษาบาลีก็เรียกว่าเวทนาคําว่าเวทนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปเข้าใจว่าน่าสงสารในในภาษาไทยนะแต่ในภาษาบาลีหรือความหมายที่แท้จริงหมายถึงความรู้สึกนะปวดเมื่อยความรู้สึกร้อนเย็นนะความรู้สึกสุขทุกข์หรือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่เราจะเรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะ นะด้วยวิธีการเคลื่อนไหว14จังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีเป็นการเรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การไปจดจำในตำรับําราสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นนะกับร่างกายก็ดีกับจิตใจก็ดีดูมันไปเรียนรู้มันไปเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเมื่อเราไม่ได้มาดู เราไม่มาเห็นเนี่ยนะใจของเรามันก็จะจมไปอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นเช่นเราปวดเราเมื่อยเราก็จะเป็นทุกข์นะเราก็จะมีความคิดว่าเราปวดเราเมื่อยนะซึ่งอันนี้เป็นความยึดถือเป็นอุปทานที่เราไม่รู้นะเกิดจากการไม่รู้นั่นเองแตนะ่ถ้าเรามาดูนะเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นเพียงแค่อาการปวดอาการเมื่อยนะเป็นอาการของกาย ที่เขาจะแสดงตัวที่เขาจะบอกให้เรารู้นะว่าโอ้รนะ่างกายมันไม่ค่อยปกติแล้วนะนะเราก็าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบรรเทานะเปลี่ยนอิริยบทนถะด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนเนี่ยนะเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยนะเรามีชีวิตอยู่นะโดยที่ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเรียนรู้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นทุก นะเอาสิ่งเหล่านี้มาทาให้เราไม่สบายใจนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเรียนตรงๆลงไปเลยนะโดยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวที่เอ่อเรียนรู้ลงไปนะเาเรียกว่าเป็นตาที่สามนะเป็นตาใจนะเรามีตาสองตาคือตาเนื้อนะที่จะเรียนรู้ลงข้างนอกนะแต่ข้างในเราเนี่ย นะเราอาศัยตาใจก็คือความรู้สึกตัวนะเรียนรู้เข้าไปดูเข้าไปนะเมื่อเราเห็นความปวดความเมื่อยความพอใจความไม่พอใจในขณะที่เราทํายกมือก็ดีเดินจงกรมก็ดีบางทีมันก็มีความคิดแว บ, บๆเข้ามานะโดยเฉพาะอะไรที่เราคุ้นเคยอะไรที่เราประทับใจอะไรที่เรายังกังวลอยู่เนี่ยมันจะแว บ, บๆมา นะเช่นเรื่องการเรื่องงานเรื่องที่บ้านนะเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะมันจะแวบแวบเข้ามานะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะเมื่อเราไม่ได้มาฝึกเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะเราก็จะไปตามความคิดนะเราก็จะคิดต่อเนื่องกันไปนะปรุงแต่งไปต่างๆนานาถ้าเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเออมันดี มันสบายใจมันก็เป็นความสุขนะเราก็จมไปอยู่ในความสุขนั้นแต่เรื่องใดก็ตามที่เราวิตกกงังวลเราคิดไม่ตกนะเราคิดไม่จบนะมันไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรทางออกมันจะเป็นอย่างไรนะเราก็จะรู้สึกสับสนวุ่นวายนะเกิดความอึดอัดเกิดความทุกข์ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นความเคยชินนะจากการที่เราไม่ได้มาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนี้เอง แต่การมาฝึกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้ที่ฝึกใหม่ก็ตามฝึกเก่าก็ตามมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาทิ้งให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดดีความคิดไม่ดีความวิตกกังวลความอะไรอวรในอดีตทิ้งให้หมดเลยหัดปล่อยหัดทิ้งหัดวางนะทิ้งหมดแล้วนะเราก็กลับมารู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวเอาตรงนี้เป็นฐาน นะ่เป็นฐานสำคัญเป็นที่มั่นเป็นที่มั่นที่เราพร้อมนะ่ะที่จ ะ, ะเผชิญกับอารมณ์ต่างๆ ต, ต, ต่อไปเพรา ะ, ะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้และมันก็เป็นที่มั่นนะให้กับใจเราการฝึกนะที่จะไม่สนใจนะ่ะที่จะทิ้งความคิดต่างๆเนี่ยตรง น, นี้เนี่ยจะเป็นการหัดปล่อยหัดวางโดยอัตโนมัติ แรกแรกเนี่ยความคิดมันอาจจะแรงมันอาจจะมีความฉับไวมันอาจจะมีน้ําหนักมากนะบางทีเราก็ทิ้งไม่ได้ทันทีนะบางทีเราก็คิดต่อเนื่องไปเป็นเรื่องยืดยาวนะพอมารู้ตัวกีโอ้เราเผลอคิดไปแล้วไม่เป็นไรนะเผอลอแล้วก็แล้วไปทิ้งไปเริ่มต้นใหม่กลับมารู้สึกตัวพัฒนาการของการฝึกเจริญสตินะที่ เกี่ยวข้องกับความคิดก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคิดสิบเรื่องเราไม่รู้ทันเลยสักเรื่องหนึ่งแต่เมื่อเราทาไปทาไปทาไปบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยนะคิดสิบเรื่องมารู้ทันเรื่องหนึ่งนะมันไม่ต่อแล้วนะคิดสิบเรื่องรู้ทันสองเรื่องอ้าวอีก8ดเรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรนะเราก็ทำต่อเนื่องไปนะ จนสุดท้ายเนี่ยมันคิดปุ๊บรู้ปับคิดปุ๊บรู้ปับนี่เป็นอัตโนมัติแล้วอันนี้ใช้การได้แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีพัฒนาการที่มันจะแสดงออกมาที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะสามารถที่จะสังเกตนะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นธรรมะที่เขาแสดงนะให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะถ้าเราอาศัยตาใจนะก็คือความรู้สึกตัวนี่เองะเป็นตัวที่จะ ส่องดนะูเข้าไปภายในร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะนอกจากความคิดแล้วนะถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเช่นความง่วงนะความเบื่อความฟุ้งซ่านหรือนะบางทีคนเก่าๆทำไปแล้วรู้สึกปอดโปร่งโล่งใจมีปิติสาบซ่านขึ้นมา นี่นนก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นธรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้ น, นบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเช่นความง่วงเหงาเหงอนโดยส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเป็นปิติเป็นความซาบซ่านเราก็จะรู้สึกว่าดี สิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้ น, นแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมันไม่ได้คงที่คงตัวแล้วก็ไม่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นความสุขเนี่ยเราอยากให้มันอยู่กับเรานานๆมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานๆ น, น, นะความทุกข์เราไม่อยากให้มันอยู่นานๆบางทีมันก็อยู่กับเรานา น, นาอันนี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครก็เป็นธรรมชาติาของเขาอย่างนั้น มีเพียงแต่เราปรับจิตปรับใจของเรานะโดยอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละนะเป็นตัวที่จะให้เรารู้อ๋อสุขก็ผ่านมาทุกข์ก็ผ่านไปนะเหมือนสายลมแสงแดดนะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะตรงนี้เราก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมา อย่างที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถยึดถือได้ไม่สามารถที่เอาเป็นตัวเป็นตนได้ซึ่งปัญญาอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเจริญสติช่วงแรกเรายังไม่รู้เราก็ต้องอาศัยจําหน่อยอาศัยท่องบนหน่อย แต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ต้องไปท้องบนแล้วแต่มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงออกมาแล้วก็จดจำได้อยู่ในใจเรานะซึ่งเป็นความจริงนะเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นเพรา ะ, ะนั้นการเจริญสติเนี่ยมันจะเห็นเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงตัวออกมาให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราไม่ต้องไปจมนะฮะในความ ยินดียินรไลนะ่สิง่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เขามาแสดงให้เราเห็นนะเมื่อเราเห็นแล้วนะเราก็ไม่เข้าไปเป็นนะไม่เข้าไปเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ผู้พอใจไม่พอใจนะจิตใจเราก็เป็นปกติเฉยๆนะซึ่งไอ้ใจปกติเฉยๆนี่แหละนะที่มันทําให้เรามีชีวิตอยู่นะอยู่ได้จนถึงวันนี้ แล้วสังเกตนะไอ้ความเป็นปกติเฉยเฉยเนี่ยนะมันรักษาใจให้เรามีความสุขนะอยู่ภายในนะสังเกตเวลาเรามีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้โกรธตลอดทั้งวันหรอกไม่ได้โกรธตลอดเวลาหรอกสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องกลับมาเป็นปกตินะหรือบางทีเรายินดีเราพอใจใจเราฟูนะมันก็ไม่ได้ฟูตลอดทั้งวันทั้งปีทั้งชาติด้วยทั้งชีวิต เดี๋ยวมันก็กลับมาปกตินะสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาปกตินะเพราะว่าถ้ามันไม่กลับมาปกติมันก็จะเป็นบ้าไปนะเหมือนอยา่างคนบ้าเนี่ยนะคนบ้าที่คิดเรื่องต่างๆคุ้นคิดต่างๆไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาสุดท้ายธรรมชาติมันก็ปลดปล่อยปลดปล่อยให้เขาไม่ต้องไปคิดนะกลายเป็นคนบ้าไปเลยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็เพราะว่าเขาไม่ได้มาเรียนรู้นะการเจริญสติไม่มาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวนี้เองเขาไม่มีเครื่องมือเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้นะเขาก็เลยกลายเป็นบ้าไปเลยธรรมชาติก็ช่วยปลดปล่อยไปเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตนะคนบ้าเนี่ยนะเขาก็ไม่คิดอะไระเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแะแต่ว่าความรู้สึกตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะของเขาจะไม่เต็มร้อย นะหรือไม่เต็มที่นะแต่ถ้าเราทำโดยวิธีนี้เนะี่ยเราก็จะปลดปล่อยปลดวางใจที่เคยจมไปอยู่ในความทุกข์ความสุขเนะี่ยให้กลับคืนมาสู่ปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นทิศทางนะที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะได้ค้นพบเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วนะแล้วก็ได้ถ่ายทอดต่อมาผ่านครูบาอาจารย์ นะเอ่อตั้งหลายรุ่นนะมาจนถึงปัจจุบันนะถือเป็นมรดกตกทอดนะที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะเราเป็นคนไทยนะเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้มาฝึกปฏิบัตินะโดยเฉพาะที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้นะเราก็ต้องใช้เวลาเนี่ยสำหรับการเรียนรู้เรื่องนี้ให้เต็มที่ทีนี้การมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมของเรา ปรนะับกิจวัตรประจําวันของเราอาจจะต้องงดสิ่งที่เราคุ้นเคยนะอย่างเช่นการพูดการคุยนะเราให้เวลากับเราเต็มที่กับการที่เรามาทําความรู้สึกตัวนะมาดูร่างกายจิตใจของเรานะซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยเวลาอาศัยความเพียรพยายามการงดการพูดการคุยในช่วงระยะเวลาที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ย มันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันชัดเจนและมันฉับไวและมันรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าตาบใดก็ตามนะเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมเรายังใช้ความคุ้นเคยแบบเดิมยังพูดคุยกันแบบเดิมอยู่ว่างๆนะไม่รู้จะทำอะไรก็คุยกันแทนที่เราเจะเวลาตรงนั้นนะไปเดินจงกลมไปสร้างจังหวะนะทาความรู้สึกตัวนะ มันก็จะทําให้เราเสียเวลาเปล่าๆการมาวัดป่าสุโกโตก็จะเสียเวลานะไม่คุ้มค่านะกับการที่เราเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะเสียการเสียงานมาเพราะฉะนั้นในช่วงสองสาวันนี้นะที่มาฝึกปฏิบัติก็ดีหรือคนที่อยู่เก่าก็ดีนะพยายามพูดให้น้อยพูดเท่าที่จําเป็นนะแต่ทําให้มาก สมัยที่กระผมฤตา ม, มาได้เคยไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนนะเมื่อประมาณ30กบกว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านจะพูดเน้นย้ำอยู่เสมอเลยว่าให้พูดน้อยให้นอนน้อยให้กินน้อยแต่ให้ทำให้มากให้เจริญสติบ่อยๆนะพยายามงดการพูดการคุยพูดคุยเท่าที่จำเป็นนะหรือไม่พูดคุยเลยได้ยิ่งดีคนที่จะ ฝึกแล้วได้ผลเนี่ยเท่าที่สังเกตก็คือจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะไม่พูดไม่คุยในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะแล้วก็พยายามที่จะมาดูการเคลื่อนไหวของกายของใจอยู่เสมอนะก็คือเราให้เวลากับเรื่องนี้เต็มที่นะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีเวลาน้อยนะจะมาสองวันสามวันก็ตามหรือพระที่บวชใหม่นะมีเวลาอยู่ไม่กี่ไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือน นะอยากใช้เวลาเนี่ยทำเรื่องพวกนีนะ้เราก็จะได้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ได้เพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญก็คือการพูดการคุยนะและก็ <c oughs> การสันทนาการเนี่ยนะเรางดไปเลยสันทนาการในที่นี้หมายถึงพูดคุยกันสนุกสนานนี่ฮนะซึ่งตรงนี้จะทำให้การเจริญสเสกของเราเนี่ยนะมันไม่เกิดผลนะหรือบางทีก็ อาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์จริงๆแล้วถ้ามาที่นี่แล้วไม่เห็นประโยชน์ไม่เกิดผลเนี่ยบางทีนะมันก็จะจำฝังใจไปเลยว่าไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องมาเรียนรู้เราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ปกตินะสุขๆุทุกๆกนะก็เป็นชีวิตแบบทีท่เราคุ้นเคยกันนะเป็นชีวิตสุขๆทุกๆพอใจไม่พอใจจริงๆมันมีชีวิตมันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันไม่สุขไม่ทุกข์ นะมันเหนือสุขเหนือทุกนะก็คือชีวิตที่เป็นปกตินะซึ่งมีอยูนะ่แต่คนส่วนใหญ่นะไม่เคยรู้จักกันนะเป็นเรื่องที่น้อยคนนักจะรู้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่มาฝึก เ, เราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มาทำเราก็ไม่ได้สัมผัสกับมันนะซึ่งตรงนีเน้เป็นความสุขนะที่มีอยู่แล้วในตัวเราเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปวิ่งหา เป็นความสุขที่ไม่ต้องไปเสียสตังคนะ์เป็นความสุขที่ถ้าเราทำได้แล้วเป็นกำไรชีวิตตั้งแต่นี้ไปจนถึงตายนั่นแหละนะเป็นทรัพย์ที่มีค่ามากนะเป็นทรัพย์ที่ประมาณไม่ได้เงินซื้อไม่ได้ใครทำให้ก็ไม่ได้เราต้องทำเองนะเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราอย่าได้ให้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันสูญเสียนะไปกับ เอ่อความสุขสนุกสนานความเพลิดเพลินความเคยชินที่เราเคยมานะขอให้เวลาที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวนะเป็นเวลาแห่งการภาวนานะแต่อย่างว่าแหละนะบางทีเราทำตั้งใจมากๆนะมันตึงมันเครียดก็ต้องหาทางผ่อนคลายนะแล้วก็นอกจากทำในรูปแบบแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะคนเก่าเนี่ย นะก็พยายามที่จะรู้สึกตัวนะกับการเคลื่อนไหวกับกิจวัตรประจาวันของเราให้ได้บ่อยๆนะผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทำให้มันต่อเนื่องนะเป็นลูกโซ่หลวงพ่อเทียนชอบใช้คำคำนี้คือคำติดต่อเป็นลูกโซ่คำว่าต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ก็คือว่ามันจะมีลักษณะเป็นความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะไปนะไม่ใช่เป็นความรู้สึกแบบจี้จ้องให้มันรู้สึกตัวตลอด นะบางทีมันก็เผลอไปบ้างก็ช่างมันนะเผลอเผลอไปก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะรู้สึกตัวใหม่เรื่อยๆความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นสดๆเฉพาะหน้านะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดน ะ, ะเผชิญหน้าหรือว่าสัมผัสกับมันตรงๆลงไปเขาเรียกว่าการสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้นะสัมผัสรู้ก็คือรู้ลงไปตรงๆนะไม่ต้องคิดอะไรมาก คนที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้จะเข้าใจยากก็คือใช้ความคิดไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไปคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทิ้งให้หมดเลยนะถ้ามันสงสัยอะไรทิ้งแม้แต่ความสงสัยก็ทิ้งลงไปเลยกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆแรกๆมันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดมันอาจจะยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรขยันขยันสร้างจังหวะขยันเดินนะให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆนะเรียกว่าลองผิดลองถูกครูที่แท้จริงก็คือตัวเรานั่นแหละ นะลองผิดลองถูกแล้วก็สังเกตแต่นี่ถ้าทำไปมันตือ้อมันตันนะก็อาศัยกลยุทธานะิครูบาอาจารยนะ์สอบถามพูดคุยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นรัดสั้นขึ้นอาศัยคนนี้มีประสบาการณ์นะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้การฝึกของเรานั้นนะก้าวหน้าขึ้นไป นะถ้าเราทำไปแล้วมันตื้อมันตันนี่แสดงว่านะมันต้องอาศัยกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหมือนกันนะอาศัยคนที่มีประสบาการณ์ชี่ช่องนะให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเรามาฝึกเจริญสติเนี่ยนะทำอย่างเดียวไม่ต้องไปทำหลายอย่างเลยนะมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ย และเดียวธรรมะอะไรทั้งหลายมันจะแสดงตัวออกมาให้เราเห็นนะแล้วก็คุณธรรมทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละแต่ก่อนเราไปเรียนธรรมะจะต้องเรียนทำไม่นู่นทําไม่นี่มากมายเลยเราทําอย่างเดียวแต่มันจะเกิดผลหลายอย่างนะหลวงพ่อเทียนใช้คําว่าสูตรสําเร็จอึดใจเดียวมาลองพิสูจน์กันดูว่ามันเป็นจริงไหมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นําเสนอนะก็ฝากเอาไว้นะให้พิจารณา แล้วก็นำไปปฏิบัตินะเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าจริงไหมนะตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะเอาก็คิดว่าได้พูดมาพอสมควรนะคงจะได้เป็นประโยชน์นะกับทุกท่านนะที่ได้มาฝึกเจริญสตนะิก็ขอให้เวลาที่เราอยู่ที่วัดป่าสุกโตเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวนะในทุกขณะในทุกกิจกรรมนะ ก็เชื่อว่าด้วยความเพียรพยายามความตั้งใจของทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจมาแล้วก็ลงทุนลงแรงไปนะด้วยความเพียรพยายามด้วยสติสัมปชัญญะนะจงเป็นพระวปัจใจนะให้ทุกท่านได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งมีอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเรา เห็นความเป็นปกติได้บ่อยๆนะเราก็จะไม่สุขไม่ทุกข์นะเราจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้นะซึ่งเป็นสมบัตินะที่มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้นะด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยสติปัญญาของเราทุกคนในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร